ความสุขก็ดีความทุกขก็ดีไม่มีอะไรที่สุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความศกดิ์สิทธก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรทีสศักดิ์และสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนตล่ามนโนปุพังธรรมาธรรมามนโนเศรษฐามงโงงายาุ่ทั้งหลายทั้งคำอยู่ที่ใจทุามทุ่มหมดแล้วโดยใจนะศา ส, สนาก็สอนลงที่ใจศา ส, สน า, ส อ, นสสนากออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพธธุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสารโลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธานนี้แคกว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้ว กเข้าถึงกันได้โดยหนากที่ทันว่ามีปณิสัยนัน้นหมายถึงมาพูกคนอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่างๆต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบดังนี้นมีปณิสัยสามารถที่จบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงการข้างนากรีเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน คือคนว่าตาบาปลาเบวิโลกันั่งทรงเรียนยานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพยานของพระองค์คำว่าเรียนยานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรียนยาณดูจิตใจนั่นเองทัางเรียนยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า คนและสัตว์แต่เมื่อเกี่ยวกับธรรมแล้วใจเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเหมาะสมกับธรรมอย่างนี้การเรียนยาณก็ต้องเรียนยานอยู่ที่ใจการสั่งสอนก็สั่งสอนลงที่ใจให้ใจเข้าอกเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจเองแต่เจ้าของไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการแก้ไขจะแก้ด้วยวิธีใด ไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอนแต่ใช่ว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของตัดโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นเพียงว่าทั้งนั้นอย่างไม่ทราบถูกติดบังหุ่มห่ออยู่ด้วยสิ่งโสโปรกท้องหลายดังที่กล่าวและข้างต้นไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าใจโสโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกมันมีวันชะวันล้างอ่ะเสื้อผ้าแขง็งจริงสถานที่สกรปรกทังมีวันชำระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอ้านแต่ไดเ้เป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับอ่ายู่เจ้าของไม่สนใจนั้นมันสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แั้วสกรปรกไปตลอดการจนมาทั้งตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องโสกรโปรกพาให้เต็มไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นาน อ, อันเดียวสกรปรกสิ่งที่สกรปรกมันจะพาไปดีได้ไงอยู่ก็อยู่กับความโสกรโปรกไม่ใช่ของดีผลแห่งความสกรปรกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกำเนิดที่เกิดก็ลําบาก นี่แต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความโสโคกท้กองใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษท้องใจที่โสโคร ก, กไม่มีสิ่งใดที่จ ะ, ะน่าเสยียดเสียนมากที่กว่าใจที่โสโคร ก, กอย่างอื่นจกสโครกไนมะ่คว่าจะมีครูมีมอะไรสอนกันส่วนจิตใจโสโครกนี่ต้องหาผู้สําคัญมาสอนเพื่จะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักพอกจิตใจที่โสโครก ง่าย้ะอาดสะอา้านไปได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสนับเป็นสนับตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เองตลอดทุกวิทธีแก้ไขและก็นำมาตั้งสอนโลกและถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิ่งต้องมีคมาารนเมตตาสอนอย่างนี้ความทุกข์ มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองความาความโง่โง่ต่อตัวเองแเนว่ยโง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกแม้ม่ชอบใจก็ต้องได้ยึดต้องได้ฟ้าคนเราจรึงต้องมีทุก ท, ท, ทั้งที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกฝนทุกเวลา ขอบว่าไม่สามารถที่จะรุ้จีดตัวได้ด้วยอุบายต่างๆความทลาดทั้งตนมั่นแหละยังต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเวละไดรับการซักพอ่อด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซักพ่อที่เด็ดระเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพ่อที่เด็ประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพ่อ ก <c oughs> ิเลสประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนาหนึ่เรื่องนี้ตั้งแตเป็นน้ำพระอาที่ยซักข้อกสิ่งสโรคกรกมีรบกวงดำอยู่พายในจิตใจของสัตว์โลกท้่แหล่รูบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าทุกหนสอนกันมาเป็นลำดับลำดาองค์นี้ได้ผ่านไปแล้วองค์นั่งมาจาัดสรุปจัดสรุปก็จัสรูปในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้กิเลสทั้หหงหลายสภาวะของสัตว์โลก อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมดที่เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นพูกแค่ต่อศีลต่อธรรมซึ่งเป็นน้าที่สะอาดที่สุดสองหรบชะล้างสิ่งที่สปโปรกที่งมีอยู่ภายในใจิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความ สนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจำนวนมากมายกายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึ่งมีส่วนอยู่ด้วยสําหรับผู้รักใคร่ต่อต่อธรรมมีความเชื่อความสงศ์ต่อคําสอนของพระพิษณุสัส่งสอนไว้เห็นนบว่าเป็นผู้มีวา ส, สนานี่ละวา ส, สนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บําเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลำดับเป็นความเปรืญนรุ่งเรืองจิตใจก็จะเดิน มีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลํดาดับความสุขก็ปรากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใดจะเหมือนกับความเพลินของใจที่ลื่นเดิงไปด้วยอดด้วยทำมีความรักคข่ใส่ใจในธรรมการพูด ป, ปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบต้มเย็นเป็นความเพลินอยภาในาจิตใจทันที ว, ว่าลดอะไรองสู้ลดแห่งธรรมไม่ได้เนี่ย รถต่นงทำตำแหน่งรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจา้าไม่มีเบือ่อไม่มีชินมีชาเป็นรถด้วยว่าเป็นความผุกที่เป็นความลื่นเริงที่ดื่มไปโดยลำหนักลำลาแน่ที่สุดจนมาถึงขั้นปิดมีมุดพรนิพพานไปแล้วยิ่งความผุกนั้นยิ่งมีความสม่ําเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัว การพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทําได้ทำนั้นสาคัญที่ความพอใจเรงดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วมันความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนั่งยากยิ่งกว่าเอาบางังคเราเร า, เราอยู่กับตัวของเราเอง จะบังคับให้ทำอย่างไรก็ได้เอานั่งภาวนาหน้านวันนี้ก่อนนั่ ง, งเอาเดินจงกรมก็ได้เอาทําบุญให้ทานเอารักษาศีลได้ทั้งนั้นเ ร, เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจหากเราไม่สามารถที่จะบังคับดับซะก่อนโอ้ของทับเทียวท่านมาแล้วเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจ าการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ระมัด ร, ระวังเราเป็นผู้รักษาเองควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่เราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเองในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบอยู่ด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบหน้า เราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แหละเป็นรากฐานรํางันที่จะส่งไปถึงอนาคตถ้ามีความจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนต้องขึ้นประจากปัจจุบันซึ่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันจเจริญอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบํารุงอยู่ทุกวันจะเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลานี้เรื่องบันเดือนปี พบท่านมันเป็นผมถอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลําดับําับเช่นเดียวกัเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบต้องพิจารณให้เห็นประจักษ์ทำของพระพุทธเจ้าเป็นสันติคิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศทำสองโลก ก็ประกาศเรื่องสันติทิโคนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาเพป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทึงรู้ทึงเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบผลที่ได้รับภาพน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภายในจิตใจเพราะใจเป็นผู้คอยรับภาพอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ยทําไมจะไม่ทราบนะบุกช่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไป คาําเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกพร่องนั่นก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลาดับจนกรทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอยความทอดถอยเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไปและเป็นสิ่งที่กัก้นกลางสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราภูมิใจทั้งหลายถ้าไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้นี่ โง่แล้วก็โง่มาพอจะเอาไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโง่เป็นตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกันจะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคนอืโสดก็โสดก็โสดทุกก็ทุกด้วยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างรับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยเรื่องอย่างนี้ อันนี้เอาให้ฉลาดนม่ฉลาดกว่าใครก็ตามคล้อยฉลาดเนื้อเรื่องที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานานเราคลอยตามสิ่งแบบนี้มานานแล้วพยายามทําความฉลาดให ismus, mm ้ท hmm. yes. ันกับเรื่องตัวเองเนี่ยสําคัญเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะเรียกวชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดเนี่ยชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ในธรรม โดยชาตั้งสางเส้นสังอาเมือมันเสียชีวิตเกันจากเชืมัตันนางสเสวสัส้งางรมามชุดตโต น, นุการชนะคนอื่นคุณด้วยล้านด้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อเวรทั้งนั้นน่ะหากินดีที่ไหนมีการชนะเอาคูณด้วยล้านถึงขนาดนั้นยังมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลย มีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี่เท่านั้นเป็นของประเสริฐจุด ช, ชนะตนจะหมายถึงอะไรก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายจิตใจของเราเนี่แหละเราแพ้ อ, อะไรบ้างอือเราทราบเราเองหนึ่งกิเลสทั้งหมดไม่ว่าแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ ครูญาติญาติขงมันเราก็แพ้เราแพ้เสทั้งหมดเอแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรๆของมันแพ้หมดถ้าสมมติว่ามันมีมูดมีคูดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคูดมันมันเราก็จะแพ้มันอีกแต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โรคขี้โก้ขี้เหลืองว่าไปนั่นนะเขาว่ามูดว่าคูดกขาว่าอันนี้เสียเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่อความแพ้เป็นของดีเหนออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้ นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้ออหาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหนเออถ้าธรรมดาแบบลูกๆเขาเราอยากจะผูกคอตายนั่นแหละอแต่นี้มันเรื่องธรรมดามนสุดที่ิสัเราชัวไนะ์ยพูดกันน่้เห็นอย่างนี้แหละเออไม่ยก ข, ขึ้นมาเนี่มันไม่เห็นโทษมันาตีพวกเรานี่แหละกงนักแพ้นี่แหละเออ ทครังนีดต่างให้เราไม่เห็นโทษแห่งความแพ่เร า, าเมื่อไรนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเราเรายังจะแพ้ไปนี้ตลอดไปอยู่หรอแพ้แพ้หมดอย่างรุ่ยลยเนียแพ้อย่างราบอยู่นี้เรื่อยเรื่อยหรอแล้วไม่ต้องการ ช, ชนะบ้างเหรือนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะเออ สาวกุาอรหารท่านเป็นผู้ชนะพระดียาจเจ้ า, จาท่านเป็นผู้ชนะปะโดยลำดับลำดับสถานะของเราทั้งสามพุทธทางสมังสนงัง ส, สนางคาถานมิบล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเราแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นบุคคิคาถาคตหนะนักนัว่าอย่างนี้นี่แหละวิธีปลูกกิตจของปลูกอย่างนี้จิต น, นเป็นสิ่งที่ ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ำทำลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สำคัญที่เราเองเุ็นผู้หาอุบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลุกิตปลุกจังเราให้เกิดความอาถรรนร่าเริงต่อสู้ในสิ่งที่เป็ น, ป, นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะ ก้าวขี่ชัยชนะชนะไปวันละเล็กและน้อยเรื่อยๆไปผลถูกพาก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่ภาชนะคุณนอนอยู่ภาชนะยูเอียบดไตรชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่ลานกิเลสปู่ย่าตรลายตาลายกิเลสก็ชนะหมดเนี่ยทั้งสามโลกธาตุขึ้น ค, คือว่าสมมติขึ่งเคยผูกพันจิตใจอันตวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลําดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมาก สติกับปัญญาเป็นธรรมมันสําคัญอย่างยิ่งสัมมาถถสิติสัมมาสังโปขึ้นตกนี่พิจาาเอาให้ได้ชัยชนะสิ่งที่มันแวดล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตกค่อยค่อยตกค่อยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไระพิจารนาดิอันมีที่ไหนเนีย่ยผมจะ รูปเวทนาสัญญาทั้งขันอีกอย่างนี้เท่านั้นหัวสำคัญอีกกลุมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกริางกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาอย่างอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยพุดท้าวกับกองขันเนี่ยลบกับเราคือมันไม่ได้ลบกับใครทราบคือราบอยู่แล้วมันใคมทราบอย่างนี้นลบอะไรนอนทับถ่ายแล้วาดตะเริ่มก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับภาพแล้วนี่ ที่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้าศาสตร์อาวุธคืออัต ธ, ธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณาเอาให้เป็นชัชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดแหละเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่า อนืนอกประจากตัวแล้วมีแต่ เ, เรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของดีเลยสิ่งที่เลิศประเสริฐสุด ก, ก็คือเอกัากชะชยมัตานางังสเวสังรามพุทธโมูกา ร, นารชนะเราเรื่องของเรานี้เท่านั้นในเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าก็ชนะแบบนี้สาวกอารหัตฐานท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเวรนอกจากนั้นจัดโลกให้ได้อาศัยท่านโดยลำดับมาจนระทั่งแบบนี้นี่ท่านออกชนะตรงนี้ เอาพิจารณามันเคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงตอนนี้ไม่ปิดบางนี้รับมีอยู่ภายในตู้ของเราร่างกายก็ตวนเราอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี่ความสลายความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นนแปรไปเท่าไหร่ก็สะเทือนมากขึ้นมากขึนก้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรที่ผิดผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆ เตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งแบบนี้แลถึงนี้นจึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้องท่าตั้งคืนทรรมะนโมตัสสาวพระโกโตจริั้นนี่เป็นธรรมเทศานาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมาที่ตรงนั้นที่นี่ใช้กันคุชชัยสัจนากันลงไปนี่เทศสองธรรมาระหว่างขันธ์กับจิต ขันใดก็ตามผู้ประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันเนี่ยปุกช้าช้าวิสัชนากันให้เข้าใจชัดเจนตามสิ่งนี้ที่มีอยู่ลูกแปรแปรมาเดิมำดับนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านไกรุงเทพท่านไปวันที่สิบเจ็ด ท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อนตั้งแต่วันที่ทีเจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันกันร่วงไปเท่านั้นวันนั้นท่านขาดวันขันนีไปแล้วเอาไปกินแล้วเราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านน่นี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องพลาดเรื่องขัน เราเรียนอย่างนี้ เ, เรียนทำเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์ูด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้อย่างไรเมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่ อ, อตัวรอดเป็นยอดคนแล้วต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ที่มีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามไ ป, ไปกินไประดับนีอ่อเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันขาดไปเท่นั้นวนันขาดไปที่เั่วโมง ผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมาก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดมีแต่ต่างคนต่างบุกเข้งไปทุกวันทุกวันขัดไปทุกวันทุกวันแล้วขาดไปจะไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นแค่นั้นเองเนี่ย <Hey. S 2> มันต่างกันแต่วันเมื่อกับแจ้งที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้แค่นั้นอนะ่ะถ้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบั้นเช่นเดียวกันหมด <Hey. S 2> เวลานี้ยังไม่ขาดเป็นที่เพียงว่าเตือนเรา นาทีเตือนนี่นาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นนินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยนสุดท้ า, ายก็หมดนี่เท่าไหร่ก็หมดเพรามันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหะที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ ขาดแขนเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วกับหมดหลังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ในเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลังมีพอที่จะทำประโยชน์อย่างนี้ทาประโยชน์เสียตั้งแต่วันนี้อธิบดีวิจิตมาตัดตังโกชัญญามาณังสุวความเทียนที่จะทําให้เป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไป ร, ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แน่ทันว่าไว้เงินบอกไม่ให้เราประมาท่าพิจารณารูป มันเหลือเท่าไรเวลาเนี้มันเก็บก็ยังเหลือมีเหลืออยู่บ้างเออมันสลายหรือมันแปลสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันภาเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยูออ่มันรู้เท่าทันเพื่อปัญญาเวทนาตั้งลงพิจารณาให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแหะไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้นึ่เวทนาเท่าภูเขาไม่มีอัะไรที่จะเหนือผู้รู้ไปได้ มันจะจโตขนาดไหนเรื่องทุก ท, ทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้ในปนไม่ได้ความรู้จะครอบเวทนานั่นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับว้าวมันมีเชือกเรือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าวเชื่อกขาดเรามีสติปัญญาพิจะน่าให้เห็นธาตตามตรงจริงเกิดก็เกิดขึ้นมา เรื่องคุกคเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้ น, นักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติเพื่อปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงข้องมัดและแยกตัวออกเมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องคุกเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องมรรยาจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัว นี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสีความสาันถ้าเป็นความสุกก็ความสุกในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุกที่จะคอยมีทุกข์มาแบง่งเอาไปกินแบง่งเอาไปกินเหมือนดั่งวันคืนปีเดือนแบ่งออกจากร่างกายจิตใจของเราาสังขาทของเรานี่ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจารณานี่ให้ขนตามไปกิ น, นแทบเสียงาอะไรจะแตกก็แตก ก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่คับกี่ครั้งแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นทางห้ามให้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไปในสายเดียวกันเพราะว่าทุกอันนี้จังแล้วทุกขังอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความเป็นจริงมันพร้อมๆกันไปแล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนอนิีจังยังทุกขังอนัตตาไม่ให้ พิจารณารอบแล้วมันล่อเติมพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบุสุทิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยความโสโครกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบกความโง่แบบความโสโครกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญา อำนาจทางสติอำนาจทางความเพียรตุธนธรรมธาตุทะะี่ชล้าให้มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมบูริยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเออทีวิติอ่าเทศนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแปลสภาพไปไหนแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามนจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมราของเขาซึ่งเข า, ามีความหมายไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่จะจิตขึ้นมาไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้ามายึดไม่ถือก็แล้วเพียงรับทราบเท่านั้น แล้วก็ไม่แบกทุกกับความยึดถือในอะไรทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่เลยท่านมาเอกันจะเฉิมมัตตานั่นเตวิสร่งางรั ม, มุตตโมไม่ก่อกรรมก่อเวนกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับกิเลสก็ไม่ก่อกิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรต่าม ก, า ก, ก่อกรรมก่อเวนได้บันไดธรรมชนะไปมากเท่าไรก่อกรรมนั้นทีูุ่คุมด้วยพันนั่นแหะคือความก่อกรรมก่อเวน นอกคุณด้วยล้านก่ากรรมเวนด้วยล้านอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญของผู้ปฏิบัติจะหา ศ, าศาสนาใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผู้ใ ด, ดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติขนาดตัวเราอเองพ่อโง่ก้นเราเป็นคนโง่เอง หาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ขโมงออกก็จะเป็นใครถ้าไม่แท่เราพุกก็เราเป็นคนพุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตอันนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาษกทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าติธรรมชาลิ่างสิ่งเรก็ปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทขึ้นเป็นลูกตาหลักของพระพุทธเจ้าถึงเจ้ายางงี่มากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะ ในคนจำนวนน้อยน้อยนั้นเราช่วยเป็นผู้มีสวยย่วนในผู้ปริษัทอันแท้จริงรูปของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนะี่ยรู้แบบครูรู้แต่โดยลำดับลำดับเนี่ยแต่ว่าการดันทำมันนี่สม่ามากสมควรหอยุติอย่างใด